นี่ก็เป็นวันอังคารเป็นวันที่19พฤศจิกา 2,528 มีอุปสรรคที่ตัวหลวงพ่อเป็นโลกโภพาตัดไปสองครั้งครั้งแรกผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่หายทรมานตัวอยู่เก้าเดือนสิบเดือน หนักกว่าเดิมสุดไปนึกว่าตัวของอาตมาแทบจะตัวไม่รอดครั้งที่สองพอดีเปิดอบรมออกพรรษาแล้วเปิดอบรมวันสุดท้ายเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลที่เมืองเลยกลับไปว่าจะไปผ่าที่โรงพยาบาลซีเรียสอีกพักหนึ่งพอดีไปถึงที่นั้นน่ะหมอว่าจะทำธุระการผ่าตัดให้อีกก็ หมอก็ว่า้ทําอย่างเนี้ยมันยังทําไม่ได้เลยอาตมาไข้ตั้งห้าวันแล้วหมอทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีไข่เลยแต่ตัวคนไข้ทําทไมรู้จักหมอเลยไม่รู้จักว่าไข้เป็นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลําบากก็เลยพยายามให้หมอผ่าตัดให้หมอก็เลยบอกว่าทาไม่ได้อีกสั้งสิบวันเหมือนกัน ก็เลยมีหมอที่โรงพยาบาลสา ม, มิติเวสมาเยี่ยมตามปกติหมอทางโรงพยาบาลสา ม, มิติเวสก็มาเยี่ยมทุกวันแต่เขาก็ไม่พูดอะไรวันที่จะให้พาตัดกัะหมอทางโรงพยาบาลซีลีลาก็เลยไม่ทําไม่ทําก็เลยพูดกันอีกพักหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็จะขอลากลับไปโรงพยาบาล สามิติเวททางโรงพยาบาลสี่แรกก็จะกลับผ่าตัดอีกวันนั้นอนะ่ะเราก็ตัดสินใจเหทสที่แล้วนี่บอกว่าจะไม่ทําพอเ ด, ดตกลงจากโพยาบาลอ่ะไปพยาบาลสามิติเวททางนี่ก็จะทําคิดไปคิดมาเหมือนจะทําทรงเดชนีนะ่ก็เลยตัดสินใจให้โรงพยาบาลสามิติเวทําเขาก็เลยมารับไปมานับไปโรงพยาบาลสามิติเวทรับไปตอน เราสี่โมงเนี่ยสี่โมงเช้าก็เป็นนอนข้างคืนตอนเช้าเขาไปผ่าไปพาเขาตัดอันนี้พูดเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะอย่าค่อยพูดธรรมะหมอเขาตกลงผ่าตัดพาตัดเขาเอาเนื้อออกมาประมาณกิโลห้ากรัมอย่างน้อยที่สุดอาตมาเขาจะว่าสองกิโลโอโ้เนื้อนี่มันไหลยปนั้นร่างกายเราเนี่ยไม่มีสิ้นดีจริงๆ พอเด็เขาตัดเนื้ออันนั้นออกมาแล้วเอามาให้ดูนี่เนื้อหลวงพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เอะทําไมไม่ตายเนี่ยเอาเนื้อออกมาไม่ตายเลยตัดกระเพาะ อ, ออกมาตัดลําไส้ออกมาเท่าอะไรมันมันอยู่เดที่เป็นเนื้อจริงจริงที่เป็นตัวโตๆประมาณกิโลห้าหีดไม่ขาดหรือเจเป็นสองกิโลวันนี้เขาตัดเป็นสิ้นเป็นอันท่อปลุกมือท่อกระปั้นเนี่ยมีมากอันนั้น เอามารวมกันโอ้โหอาตมาหน้าเสียวใจเอ้คนนี่เป็นได้นี่ยไม่ตายพาตัดหลังตัวอาตมานี่เก้าคนสิบกับอาตมาพาเรื่องโลกอันนี้ตายไปหมดเลยยังเหลือต่อาตมาคนเดียวอ้ <c oughs> ก็โชคดีเราไม่ตายจริงจะได้กลับมานำนนเราธรรมะให้ฟังให้เรารู้สึกตัวให้มาก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 เพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจแต่คนทุกคนมันในกายกับใจเรียกว่าลูกกับนามลูกเนี่ยทุกคนมองเห็นส่วนจิตใจนั่นมองไม่เห็นตัวเลยจึงอาตมาเคยพูดว่าลมหายใจโกรธคนเป็นบ้างไหมดีใจเสียใจเป็นบ้างไหมลมหายใจเนี่ยตัวของอาตมาเองเนี่ยเคย ถามตัวทำไมเองการดีใจเสียใจโกรธเกลียดไม่สลมหายใจตัวนึกตัวคิดต่างหากนี่ตัวนึกตัวคิดทําไมเจอมันโกรธเกลียดเป็นมันอาศัยอยู่ที่ไหนก็คือจิตใจก็ว่าได้หรือความที่ไม่รู้สึกตัวก็ว่าได้แล้วเราจะพูดยังไงก็ว่าได้เมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราไม่รู้ อันที่เราไม่รู้นั่นเนี่ยมันพาให้เราเป็นทุกข์เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าควร ม, ม่รู้แต่มันรู้มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปมันคิดไปเราเรารู้คิดแต่เราไม่ได้เห็นผมคิดสแสดงว่าเราไม่เห็นผมคิดเราหรือว่าไม่รู้ผมคิดก็ได้เราเข้าไปในกรมคิดแล้วเมื่อมันเข้าไปในกรมคิดแล้วก็เหมือนกับที่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำ เราเข้าไปอยู่ในถ้ำล้วจุดไฟมันก็มีแสงเมื่อไฟดับก็บคมมืดเข้ามาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้สึกแล้วความคิดมันก็จะลากเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้เห็นความคิดสภาพภาวะของมันคิดนั่นเราไม่เห็นเหมือนนี้ก็บอกแล้วว่าจะไม่ได้พูดเรื่องรูปนามจะพูดเรื่องกลุ่มคิดให้ฟัง ตกเย็นมาอาตมาจึงรู้ความคิดเราเห็นผวามคิดเข้าใจผมคิดได้ตอนที่จะเห็นผามคิดคือมันคิดมาครั้งแรกอาตมาไม่รู้นึกว่าเป็นคนมาซุกหรือมาผักตรงข้างเนี่ยมองหาคนที่ไหนก็ไม่เห็นเดเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวคิดขึ้นมาอีกก็เลยรู้ความคิดอ้อมันคิดอนไรเรเลยรู้จักผมคิด แต่ยังไม่เห็นควาคิดเมื่อมันคิดแล้วแบบนี้ก็คิดมาครั้งที่สามเนี่ยก็เลยเห็นรู้เข้าใจสภาพมันคิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้สภาพที่มันไม่คิดนั่นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เป็นตัตรูแต่พอดีมันเห็นคิดข่มคิดมันทูกขหยุดทันทีเมื่อใดเราไม่เห็นข่มคิดรู้ข่มคิดมันก็พาไปทันที เหมือนกับที่เคยพูดให้ฟังเรามีสุนัข ก, ก็ตามหรือมีวัวควายก็ตามบ้านเราก็ได้วัวควายเมื่อพูดถึงงัวควายแล้วคนภาคกลางฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยพูดว่าวัวควายวัวควายเนี่ยถ้าจะเป็นตัวเล็กก็ตามเราพูกคอมนันเอาเสื้อพูดคอวัวคอค ว, อวายมันตีหรืเขียนมันถ้าจะเป็นสุนัข ก, ก็ตาม พอที่มันวิ่งไปเราดึงมันไม่ได้มันก็ตัวเราก็ต้องติดมันไปวันนี้เราจะเอาสนะงวควายหรือสุนัขนั่นก็ต้องวิ่งให้มันเร็วพอที่เครียดมันปั๊บเราขึ้นหน้ามันดึงหลอนถกเสื้อเรามัวก็หันหน้าเข้ามาหาเราทันทีเมื่อมันหันหน้าเข้ามาหาเราเราก็ดึงมันได้ปเนี่ยเราจะจูงมันไปที่ไหนก็ได้เลยเข้าใจอย่างนั้นสภาพความเครดก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็น เรารู้เราเข้าใจแล้วมันจะปรุงแต่งเรื่องสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นั่นอ่ะมันปรุงไปไม่ได้เมื่อมันปรุงไปไม่ได้อย่ันนี้ก็เลยพยายามถามดูควาคิดเนี่ยพอเดนมันคิดมาก็เห็นก็รู้เหมือนกับคนสองคนที่นอนกระชิดกันนี่แหะพอดีคนนึงพิคคียงคนที่ไม่ได้พิขียคนรู้สึกตัวนันที สมมติเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนหนังสือจิ๋วมีแต่สมมุติมาพูดให้ฟังเท่านั้นเมื่อทําไปทำมาก็เลยรู้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของความทุกข์จริงๆแต่ที่แรกเห็นความทุกข์เรื่องรูปหนามีทุกข์อันนี้สมมุติแต่ไม่เห็นสภาพความทุกข์ทางใจนี่แหละคือความโกรธเรียกว่าโทสะความหลงเรียกว่าโมหะความโลภล้วความโลภเราเรียกว่าโลภะ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 อารมณ์ของวิปัสสนานั้นเข้าใจทันทีเห็นรู้อยู่ยนั้นตลอดเวลาเมื่อเห็นรู้อย่างนั้นจะหาว่าเป็นอุปทานมันเป็นเรื่องสมมุติคําว่าอุปทานคําว่าอุปทานหมายถึงสิ่งที่เราไม่เห็นเราไปยึดคําพูดของคนนั้นคนนี้เนี่ยไปยึดคําพูดเมื่อพูดถึงการยึดคําพูดนั้นสมมุติให้ฝัง เรามีกระจกใบใหญ่ๆที่มาวางไว้ที่นี้ก็ได้แล้วทุกคนจะมองเห็นหน้ากระจกรูปตัวเองต้องเข้าไปอยู่หน้ากระจกทั้งหมดทุกคนเลยแต่กระจกนั้นน่ะมันไม่รู้มันมีความพุกมันไม่รู้มันหนักแต่มันมีรูปติดอยู่ในหน้ากระจกก็าตามกระจกมันไม่รู้เลยพอดีง่ายกระจกหนีไปรูปคนไม่ไปติดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกัน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 ใครมาจะนับเสริญเราสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสมมติขึ้นมาพูดเท่านั้นดีชั่วอยู่กับคำพูดคนไ้ยไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคนดีชั่วนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองก็เลยเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัตินี่ไม่ใช่จะปฏิบัติเพื่อว่ารู้แล้วไม่เอาไปใช้ไม่ใช่อย่างนั้นโดยมากเรามาปฏิบัติธรรมะแล้ว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 เพราะทำการทํางานโดยไม่ยึดไม่ถือโดยที่ไม่ว่าคนนั้นมายกเราคนนี้มาเกียดเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือว่าเราทํางานเพื่องานเท่านั้นเองงานของเราเนะเมื่อเราทํามันดีๆแล้วงานมันก็สําเร็จลุล่วงไปได้เมื่อเราทําการทํางานโดยที่พอใจไม่พอใจแล้วงานนั้นจะขัดเรื่องไม่สะดวกไม่สบาย มันจะเบื่อจะนายไปสอย่างไงวันนี้เมื่อจิตใจเราช่วงนั้นมันขาดออกจากกันไม่ใช่ใจขาดนะแต่ว่าจิตใจขาดคือว่าความสัมผัสมันขาดออกจากันตาเห็นหูฟังเสียงจมูกได้กิลิ้นได้ลดกายถูกสัมผัสจิตใจมันจะขาดช่วงกันไปทันทีหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังอาเสื้อในร่อนมาพูกไว้ตรงนั้นคุณตัดตรงกลางดึงมันไม่ถึงกันเลยบนี้แก้ตนนี้ ไปต่อตรงกางไม่ถึงทางนี้แกทางนั้นมาต่อตรงกลารไม่ถึงแก่รงกางออกไปมาถึงทีงการไม่ถึงมันขาดเพียงขาดเป็นปกติทุกคนต้องมาที่นี้นี้ไม่พ้นนี่เรียกว่าสัจจะที่หลงพนได้ขึ้นมาไม่ใช่ได้ดกมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอันนี้เรียกว่าสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แกมีในคนก็ควรหลักษณะจิตใจของคนต้อเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเข้าสู่สภาพดุพาวะเดิมของมันอีกบัดนี้หลพ่ถามนายทางตรงกันครับใครต้องการคมทุกนึก ไ, ไม่มีเสียงขึ้นมาเลยใครต้องการตายสม่ไม่มีใครตอบมาทั้งหมดเลยนี่เงี้่นตามแต่เราทุกวันนี้ทำกรรมฐานก็ต้องเอาซาดหน้าจริงรู้ทาบุญก็ต้องซาดหน้าจริงเอา อันไหนทั้งหมดเลยศาสตร์อะไรันปัจจุบันนี่ทําไมถึงไม่เอาเพราะมันไม่มีชื่อเพึ่งปัจจุบันนี่ที่หลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อกล้าพูดให้คนรู้จากปัจจุบันคิศปัจจุบันไปเลยหลวงพ่อไม่เอาอย่เอาปกติดี่เลยนี่เข้ามาใจใจนี่นิพพานก็หมายถึงไม่มีสิ่งเสียดแทนไม่มีอะไรมากระทบให้มันเย็นไปเท่านั้นเองคําว่านิพพานหมายถึงสันส้นๆทีเดียว พอดีมีอะไรกระทบตุ๊ดรู้ทันทีเลยนี่เป็นอย่างนั้นโอ้นิพพานก็หมายถึงจิตมองไว้สามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างเนี่กยย็ว่นิพพานโอ้คำว่าพระเรียบบุคคลหรือพระหัาานก็หมายถึงบุคคลที่มุผู้มีปกตินั่นเองถ้าหักผิดปกติไปแล้วบ้านหลงเขเรียกว่าบ้าอยพอมแมวสอนว่าคนเนี่ยผิดปกติแล้วนะสมมติเราไปดูคนป่วยนะ คนป่วยเนี่ยเราไปดูหายใจถึงทองไหมไปดูหายใจขึ้นมาถึงหน้าอกไม่ไปดูหายใจมาถึงคอแล้วอ๋ผิดปกติแล้วนะเนี่ยตายเลยเดืนเดืผิดปกติเขาตายไปเนี่ยเป็นยงไบัดนี้ถ้าเราผิดปกติเป็นยังไงบัดนี้ครับก็ทำชั่วไปที่บัดนี้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปทีวความปกติเนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นสมบัติของผู้มีปัญญา เป็นสมบัติของพระเรียบุคคลเข้าใจสันส้นๆทีเดียวเนี่ยเมื่อมีปกติแล้วควอมที่ปกติก็รู้ขึ้นมาบัด น, นี้คนเป็นเ็นหนุ่มๆสาวๆอย่างพวกคุณพวกหนูเนี่ยในพวกนี่ทุกคนนีและวถ้าผิปกติก็เลยคนนี้ผิดปกติแล้วบ้าแล้วเนี่ยเอาไปโรงพยาบาลเนี่ยว่าอย่างนั้นบ้านของอันปกตินี่ทําไมจึงไม่เข้าใจแล้วเราไปดูพระที่ตรงไหนกัน พระธรรมอยู่ที่ตรงไหนกันไม่ใช่พระธรรมสิปกตินะให้เราอยู่กับปกติไปทํานาทําสวนพวกคุณพวกหนูเป็นครูโรงเรียนนะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเอาปกติไปสอนหนังสือเอาปกติไปทําการทํางานในห้างร้านบริษัทเอาปกติไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารเอาปกติเนี่ไปเป็นพยาบ้านเป็นกำ น, นันเอาปกติเนี่ไปเป็นเอ็นเป็นพระเอาปกติเนี่ไปเป็นรัฐมนตรี ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วบ้านเมืองจะไม่เดือดร้อนนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าใกล้ๆทีเดียวเดี๋ยวนี้เราไม่ออกปกติไปเอาอะไรไปไม่รู้จึงไม่เห็นพระธรรมพระต้องทาการทํางานทําทุกสิ่งทุกอย่างทําตามหน้าที่นั้นเดี๋ยวพระทำเอาใจดีไปทําทําการทํางานนะ่ะใจมันดี และก็ดีใจทำชอบใจทำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เดี๋ยวค้าทำทำงานทำการตามหน้าที่เดี่ยวค้าทำาันท่าทำการทำงานจิตคิดพดยายางขอผีทำด้วยกันนี่ที่ผมพูดให้ฟังเป็นวิธีปฏิบัติธรรมะอย่างรักรัดอึดใจเดียวทเท่านั้นองอาการเกิดดับก็หมายถึงว่าสัจจะเป็นความจริงทุกคนต้องมาที่ตรงนี้ ไม่มาที่ตรงนี้ไม่มีทางไปแต่ทุกคนต้องตายคําว่าตายกับตัวอาการเกิดดับเป็นคนละตัวกันนะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจที่พูดนี้ให้คิดว่าให้เลือกเอาเองจะเอาอาการเกิดดับตัวไหนก็เอาแต่ว่าอาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดมันไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับตัวอาการเกิดดับหมายถึงเส้นสุดของทุกกาว่าได้ หรือจยว่ายังไงก็ว่าได้เปล่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขอ ง, งจิตใจเรียกว่าตายก็ได้แต่ไม่ใช่ตายแต่มันตายนี่หนินี่ว่าหุบ ป, ปากพูดก็ได้แต่ว่าหุบ ป, ปากพูดทําไมหลวงพ่อพูดอยูนั่นหนึ่งอันนี้มันพูดไม่มีเสียงก็ว่าได้แต่ทุกคนต้องประสบจริงๆนี่เนี่ยวัตรจัจรธรรมเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงใดๆอัอนี้ผู้หญิ้งก็ต้องเดินทางมาที่นี่ ผู้ชายก็ต้องเดินทางไปที่นี่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องเดินทางไปที่นี่ถือศาสนาไหนลัทธิใดก็เดินทางมาที่ตรงนี้เรียกว่าประสบกับอันนี้จริงๆเห็นอะไรก็จะทิฏฐิเป็นเพียงความเห็นเมื่อประกอบด้วยโมหะเขาเรียกว่าเห็นผิดเมื่อประกอบด้วยสมาธิกับปัญญาเขาเรียกว่าเห็นถูกต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับนิแต่ทิฏฐิเป็นเพียงความเห็น หลวงพ่อเข้าใจพอดีหลวงพ่อเข้าไปถึงจุดนี้มันมีความสุขมีความสุขหาที่เปรียบไม่ดีเลยในโลกนี้คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยพบอย่างนี้มี่มันสะอาดสว่างสงบจริงๆแต่ว่าอันนั้นก็เลยผิดปกติไปแล้วเนี่ยมันผิดปกติไปทางดีก็จริงผิดปกติบ้าอันนี้ก็บ้าแล้วนี่ คัวคูณปกติที่จึงเป็นสิ่งสําคัญให้พวกเราจําให้มันดีเนะคันถ้าจําไม่ดีไปปฏิบัติข้างหน้ามันจะหลงโอ้ยเป็นยังไ ง, ไงเนี่ยไปกันคันผิดปกติไปข้างดีกวบ้าผิดปกติไปข้างชั่วกว่าบ้าเราต้องอยู่กับปกติในจริงจริงเนี่พอดีหลวงพ่อรู้จักมันจุดไปหมดเนื้อหมดตัวไปทั้งหมดแล้วโอ้สบายเดินไปเดินมาคิด ไม่จะคิดลแล้วเสว่ามันเป็นเองเบาหมาตัวเริลยคิดว่าพ้น ด, ดินขึ้นประมาณจากเม็ดทุกสองเม็ดทุกเก้าไปเก้ามาทั้งปีนะี่ว่าสุขมากประมาณจากสี่ห้านาทีคุณบอกว่านี่เจ้าของเป็นบ้าเลยไม่รู้จากนี่เขาว่าดูประหลาดเห็นผิดเป็นถูกนี่ที่ตรงนี้เลยแล้วคนผู้ไม่มีปัญญาหรือว่าสติไม่ถันมันก็จะตุบความสุกอันนั้นไปทั้งปีทั้งเดือนไป ก็เลยลืมปกติไปไปยงข้อสชคดีอะมันเป็นยังไงอย่างนี้มันเกินกลัวเหตุไปแล้วกลับมาทวนอารมณ์ทันทีเลยพ อ, อได้กลับมาทวนอารมณ์แล้วก็เลยได้ปกติขึ้นมันผิดปกติเมื่อเราจุดไปฮั่นจุดไปแล้วมันจืดแล้วไม่เป็นปกติแล้วเมื่อเราเห็นจิตใจอะไรมาแตะต้องมันเป็นปกติอยู่รู้ทันทีนี้ไม่ผลแต่เรายังไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่นะยังไม่ได้รู้ได้ ชวนจะหมดลมหายใจต้องประสบเรื่องนี้จิตทุกคนหลวงพ่อเคยเตรียนให้ฝังเราลงบันไดเนี่ยถ้าเป็นนักมวยนะเขาจะลงบันได ด, ดูชัดเลยเขาจะยางกต่สบายสบายไปนียถ้าเราไม่เป็นนักมวยเราไม่เคยลงบันไดลงบันไดตกบันไดแครนหักก็มีบางคนไปหาหมอเนี่ยแครนหักได้ให้หมอเอาอะไรเชื่อมกระดูกเข้าไปแต่บางคนบางคนถึงกับเดินไม่ได้ตัวนี้บางคนเอาคอลงเอาหัวลง พอหักสายขาดนนีือตัว น, นี้แหละเราจะไปทางไหนเลือกเอาทิศทีอันนี้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญทิศที่โยมเห็นสมาธิเห็นถูกต้องมิตรสาธิติเห็นผินด เ, ผเราเห็นผิดก็เดินทางผิดไปที่เราเห็นถูกก็เดินทางถูกไปที่ทิศทีเป็นเพียงคนทิศทีตัวนี้เมื่อประกอบกับโมหะแล้วโลภะจะดึงไปมันท่อง เมื่อความเสียใจจะเพียแค่ตามมาเนี่ยเดี๋ยวประกอบด้วยโมหะโลภะโทสะเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิจะเห็นผิดไปทันว่าอย่างไรบัดนี้สัมมาทิฏฐิที่ได้วความเห็นประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติบันเนี้ยมีสติคอยระมัดระวังควบคุมโยนและปัญญาก็คอยรอบรู้อย่างที่ว่า เมื่อเราเห็นเนี่ยเราไม่เข้าใจเป็นพิธีกปรกโคมเห็นเนี่ยเเมื่อประกอบด้วยสมาธิปัญญากับสติแล้วเราจะไม่ไปทางผิดเราจะเดินไปทางไม่มีทุกข์เราจะลงบันไดเปียบนักมวยเนี่ตีลังกาลงก็ได้อย่างที่หลวงก็เห็นนักมวยเขาตีลังกาข้ามเพียงแล้วก็โดดจัดใส่ยางใส่แบะคนที่อย่างเราเราเนี่ตีลังกาไม่เป็น โดไปพอหักตายค่ะที่อันนั้นเป็นนิสัยิี่เราเนึกว่าจะโดดข้ามมันข้ามไม่ถูกจังหวะอันนี้แหละปัญหาที่ว่าสัจจะแท้เป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเกิดมาร้อยวันพันปีถ้าหากไม่รู้จักสิ่งที่หลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยชีวิตของคนนั้นเป็นหมนเป็นโมฆะเห็นไ ใชไม่ได้ชีวิตอ น, นันต์น่ะท่านสอนอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หวงพ่อสอนหลงเพราะเอาคําพูดของจำตัวจริงตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเอาเงินซื้อไม่ได้ให้คนอื่นทําแทนมาได้ฟังแล้วจะรู้ก็ไม่ได้แล้วจึงว่าวิธีการอื่นื่นมันดีแล้วกันว่าใครสอนอยังไงก็จะมาจุดเดียวกันะไไน่ะไปในภานเมื่อเข้าใจแล้วคําพูดแต่ว่านิสัยคนไม่เหมือนกันจึงว่าใครจะทํายังไงก็ทําลวงพ่อจิต มองหวังว่าจะทำอย่างเดียวเท่านั้นหรืออย่างที่พูดแล้วมันอุดมการของคนไม่เหมือนกันบางคนก็อยากสอนคนพูดแต่บางคนบางคนก็อยากสอนคนให้คนได้มีวิธีการพัฒนากันอย่างนั้นเนี่ยมันสอนไม่เหมือ น, นแต่เราเข้าไปบ้านใดหนึ่งก็ต้องทําตามเขาบางเีวอุดมการของหลวง เ, เจะสอนจุดนี้